ออ ง, งจะตตบ้บ阿拉มา้ใาจจววาฟังเคสตัดี้กันจ้ ลูกเป็นลูกคนที่หนึ่งนนนในจำนวนพี่ น, น้องยี่สิบสองคนชีวิตของลูกได้มีสามีมคนแรกเป็นชาวอเมริกันเธอเป็นมาดามตั้งแต่อายุสิบสองเจ้าก็พอเจอเนื้อคู่ก็อย่างนี้เลย เพราะเขาเป็นคนดีมากมาช่วเหลือครอบครัวทุกอย่างจนพ่อแม่และทุกคนยอมรับจึงได้จัดพิธีแต่งงานให้ลูกต้ไม่เคยได้ใช้คำว่านางสาวเลยค่ะจากเด็กหญิงก็เป็นนางเลยพออายุได้สิบปดปีก็ต่างติดตามสามีไปอยู่ที่อเมริกาทำให้ลูกต้องพัดพ ร, รากจากบ้านเกิด และครอบครัวไปตั้งแต่นั้นลูกมีบุตรด้วยการ ก, กับสามีคนนี้สามคนเป็นบุ้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนต่อมาก็ได้แยกทางกันชีวิตของลูกช่วงนั้นลำบากมาทำให้ไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวที่เมืองไทยเลย เพราะแม่หญ่ทุกคนรู้ถึงความลำบากของลูกลูกต้องทำงานถึงสามจอบในเจวันไม่มีวันหยุดเลยมีเวลาอยู่กับลูกๆน้อยมากลูกอาชีพเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะทำเช้าและบ่ายส่วนตอนกลางคืนทำงานเสิร์ฟวันเสาร์ที่ทำเค i t คิช n helper ทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างชามกวาดถูพื้นเก็บร้านสารพัดยังกบเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเลยต่อมาลูกก็ได้แต่งงานใหม่มีบุตรอีกสามคนผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนรวมบุตรของลูกก็มีทั้งหมดหคน ในช่วงนั้นลูกนับถือศาสนาคริสต์ตามสามีแต่ในใจในยังสับสนรู้สึกว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้นหาต่อมามีเพื่อนคนไทยก็ได้ชวนลูกไปกรำอวยพรที่วัดไทยเ <Yeah. S 1> มืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดในงานทอดพระป่ า, ปาลูกจึงได้มีโอกาสพบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่ง เป็นเจ้าวาดของวัดนั้นแล้วก็ได้ปรึกษากับท่านถึงเรื่องครอบครัวลูกที่เมืองไทยท่านก็ช่วยเหลือจะลูกตามหาครอบครัวลูกได้สำเร็จแล้วก็ได้ติดต่อกับครอบครวัวทามืองไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไร่ด้ติดต่อมานานต่อมาก็เกิดวิกฤตกับชีวิตของลูกถึงขั้นครอบครัวต้องแตกแยกหมดเนื้อหมดตัว ต้องขายของทุกชิ้นเพื่อกลับมาตั้งหลักที่เมืองไทยลูกก็ได้มาอยู่กับน้องสาวคนที่สองแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือทุกอย่างเป็นอย่างดีและลูกก็ได้พบกับคู่ชีวิตคนปัจจุบันที่เมืองไทยจากนั้น5ปีลูกและสามีก็ได้ตัดสินใจเดินทางปไปตั้งต้นที่อเมริกาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ต่อมาก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์จะทำให้ลูกได้พบกับหลวงพ่ อ, อครูไม่ใหญ่คือลูกสาวคนที่สามของลูกได้ป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูกขั้นสุดท้ายหลังจากที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึงเจดครั้งแพทย์ที่อเมริกาหมดทางรักษาแล้วและบอกว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนลูก จึงคิดจะพาลูกสามมาลาญาติญาติในเมืองไทยพูด ง, ง่ายๆคือลาตายเลยจึงได้ไปขอยาจากหมอเอาไว้ทานในระหว่างอยู่เมืองไทยแต่หมอไม่ยอมจ่ายยาให้โดยบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วละ่ะมันไม่มีประโยชน์กินไปก็เสียายานยั่นแหละแต่ก็ยังพูดปลอบใจว่า ก็อาจจะมีความมหาสจรนย์เกิดขึ้นเพราะหมอเคยได้ยินว่าที่เมืองไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแ<อ>สดงว่าหมอนี่อินเทนเมงิน <c oughs> ในช่วงเวลานั้นทางวัดกำลังโดนข่าวโจมตีอย่างหนักจึงทำให้ลูกและคนทั่วไปที่อเมริกาเข้าใจหลวง พ, อพ่อผิด เข้าใจผิดเข้าใจถูกใหม่ได้ไดดนะจ๊ะแต่เข้าใจใหม่ยัให้ผิดก็แล้วกันเมื่อลูกได้แจ้งข่าวให้น้องสาวทราบเขาก็แนะนำว่าให้รีบพาหลานมาโดยด่วนจะพาไปหาพปเดชไปคุณหลวงพ่พอที่วัดรับรองว่าหลานไม่ตายอุ้ยอะไรจะขนาด น, นั้นต้องหายแน่ๆลูกก็จึงสวนกลับไปว่า หวังว่าคงไม่ใช่วัดพระธรรมกายแล้วหวังว่าคงไม่ใช่หลวงพ่อธรรมชยโยนนะทำให้น้องสาวถึงกับอึง้งไปเลยพอมถึงเมืองไทยเป็นช่วงที่หลวงพ่อได้ไปกองปราบเขาไม่ได้ให้ไ ป, ไปเป็นผู้ปกครอ ง, งนั่นนะเขากำลังจะปราบรู้ไม่ใหญ่ท่านนู้นนนน้องสาวก็ได้หลอกลูกว่าจะพาไปช้อปปิง้ง ที่จะไมไ่ลองเป็นกขเรียกกุสโลบา ย, บายใช่คือเทคนิคเพื่อการกุศลบอกพาไปช้อปปิง้ง <c oughs> ก็ไม่ได้ผิดอะไรพาไปดูไปนี่แล้วแวะตรงนี้หน่อย <c oughs> หรือแวะตรงนี้ก่อนแล้วค่อยพาไปตรงนู้นแต่ว่ากลับพาไปกองปราบน้องสาววางแผนในลูกสาวรูปช่วยถ่ายรูปลงพ่อให้โดยที่ยังไม่ทันได้บอกว่าหลวงพ่อคือพระรูปไหน แต่ลูกสาวลกก็สามารถถ่ายรูปได้ถูกต้องทำให้พวกเราสงสัยว่าเขารู้จักหลวงพ่อได้อย่างไรลูกสาวบอกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือพระรูปไหนแต่เขาเห็นพระรูปเนี้ทำให้เขาคิดว่านเนี่ยใช่แน่เลยแม้ปัจจุบันก็ยังเห็นอยู่เจ้าค่ะจริงทำให้เขาศรัทธาขึ้นมาอย่างแรงกล้า ลูกสายอมขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนบัวและก็ได้พบองค์พระภายในตัวด้วยหลังจากกลับจากสวนบัวลูกสาก็ได้มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อก่อนกลับอเมริกาหลังจากกลับอเมริกาลูกสาก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดคือก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมจนกระทั่งพบพระภายในที่สวนบัวนะจ๊ะ พอหลังจากกลับอเมริกาลูกสาวก็ได้ไปพบคุณหมอตามนัดผลการตรวจทำให้แพทย์ต้องพบกับความประหลาดใจที่สุดคือตรวจไม่พบเซนมะเร็งเลยเหมือนก็ว่าไม่เคยมีล่องรอยขึ้การเป็นมะเร็งมาก่อนเหมือนล่องรอยที่ชายหาดอย่างี้ถูกคลื่นซัดหายไปจึงทำให้ลูกแล้วทุกคนรู้สึกรักและเคารพศรัทธามาก ลูกชาคนที่สองลูกแต่งานครั้งแรกมีลูกสามคนลูกชายนะคนที่สองแต่ปัจจุบันไม่มีโอกาสพบเจอลูกทั้งสามคนเลยพอแต่งงานกับภรรยาคนที่สองภรรยาตั้งครรภ์ถึงสิบอครั้งแต่แท้งตั้งแต่อยู่ในท้องเก้าครั้งรอดมาแค่สองคือคนที่9ก้ากับคนที่สิบอคนที่สิอนั้นพ่าออกมาได้ แต่ไม่หายใจจึงได้รีบโทรหาน้องสาวที่เมืองไทยทันทีโดยได้รับคำแนะนำให้ทำบุญสามแสนปลืม้มทันทีแล้วทุกคนก็รวมใจนั่งสมาธิอธิษฐานจิตช่วยกันต่อมาเด็กก็เริ่มหายใจและก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆก็ออกมาไม่หายใจหมอไม่รู้จะทำไงแล้วพอทำบุญเออค่อยๆหายใจเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องอบอยู่ในตู้ถึงสเดือนปัจจุบันนี้เด็กแข็งแรงมากเด็กคนนี้เลี้ยงด้บุญจริงๆค่ะแล้วเขาชอบดูจานดาวทาตั้งแต่อายุได้สองสเดือนจ้างดูไม่กระพริบตาเลยปัจจุบันอายุหนึ่งขวบแล้วค่ะลูกสาวคนที่สเป็นโรค m อตั้งแต่อายุ16ปกปีมักปวดศีรษะบ่อยๆถ้าเกิดอาการเครียดหรือสะเทือนใจกับเรื่องใดมากๆ จะช็อกเกรงและก็เป็นอมพาสได้ตลอดเวลาลูกชายคนที่ห้าเกือบจะได้บวชแล้วคะ่ะคือไปอยู่ที่วัดศูนย์อัสสุซาโกนหัวเสร็จเรียบร้อยเตรียมบวชอยู่ที่วัดเป็นอาทิตย์มาแล้วพอจะบวชเปลี่ยนใจไม่บวชเฉยคือหมดอารมณ์บวชอารมณ์บวชมีชั่วคราวเนลูกสาวคนที่หก พูดภาษาไทยได้ด right, ีมากๆเคยอยู day, result, yes, ่เ <pound> มืองไทยมาหลายปีตอนเด็กๆสวดมนต์ได้ชัดเจนนั่งสมาธิก็ได้ดีค่ะเขาเคยทำผิดและลูกก็ตีเขาต่อหน้ารูปหลวงพ่อทำให้เขาไม่พอใจไม่สบายใจถ้าตีที่อื่นไม่ต่อหน้าเนี่ยตีได้เขาก็ต่อว่าว่าลูกอะ ทำไมต้องตีเขาต่อหน้ารูปหลวงพ่อด้วยเขาอายพอเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกคนนี้ว่าเบียงเบนเขามีจิตใจเป็นผู้ชายค่ะสามีของลูกคนปัจจุบันเป็นรอผิวหนังชนิดหนึ่งเส้ผิวหนังตายจึงไม่สร้างเม็ดสี แล้วก็ขยายตัวลุกลามไปเรื่อยๆตามร่างกายโดยเฉพาะแขนขามีรอยด่างเป็นบริเวณใหญ่รักษายอย่างไรก็ไม่ยังไม่หายมารยะหลังๆก็มีอาการแสบตามผิวหนังแล้วก็มีเลือดซึมออกมาด้วยค่ะในแม่เจ้ว่าเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นคุณยายงลูกชอบด่าคุณทวดคือคุณแม่ของคุณยายเองอะไรกัน ด้วยทายคำหยาบคายบ่อยๆเจอลูกกับน้องสาวเคยแอบร้องไห้สงสารคุณทวดคุณทวดจะเป็นคนใจดีมากไม่เคยพูดจาห ย, ยาบคายและดุด่าใครคุณทวดเสียชีวิตด้วยโรคชราสุนยายเป็นมะเร็งที่มดลูกนอนทรมานอยู่หลายปีจึงสิ้นใจ คุณลุงป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเส้นเลือดตีบอีกสองเส้นอยู่ห้องไอซต้องใส่ท่อหายใจตลอดถ้าถอดออกมาก็ต้องตายลูกหลานไปเยี่ยมคุณลุงบอกว่าอยากสร้างพระประจําธรรมกายประจําตัวจึงโทรกันไปหาลูกที่อเมริกา สร้างพระให้ดวนลูกหลานสร้างพระภายในให้เจ็ดองค์<า>แล้วบอกให้ลุงทราบและให้ลุงนึกถึงบุญเพราะบุญนี้ใหญ่มากแรงมากให้ลุงนึกถึงสุวรรณิธิมหาสุวรรณิธิหมอคิดว่าคุณลุงตายแล้วเนี่ยเห็นเงียบๆไปจึงดึงท่อหายใจออก แล้วก็ลุงยังไม่ตายหมออาสย์นนใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้เอาอีกแล้วทำไมไม่ตายหมอก็เลยสอนวิธีให้คุณลุงฝึกหัดหายใจด้วยตัวเองเพราะว่าลืมหายใจไปไม่รู้จะเอาเข้าก่อนออกหรือออกก่อนเข้าคุณลุงก็ทำตามได้หมอก็ยังงงเงงเ ง, งอยูอย่นั่นแหละแล้วต่อมาก็หายใจได้ ไม่ใยิ้มได้หัวเราะได้ลหลางๆก็พากันไปวัดสร้างพระธรรมการประจำตัวภายในจะรึกชื่อมหาปูชินยยาจารย์อีกอสามองค์รวมเป็นสิองค์<า><า>แล้วก็นำมหาสวนิธิไปให้คุณลุงอธิษฐานคุณลุงบอกว่าเห็นแล้วในท้องลุงเนี่ยมหาสวนิธิใสสว่างมาก ใสสว่างตลอดลงไม่อยากนอนลงไม่สบายแล้วละ่ะลงอยากกลับบ้านแล้วลงลงอยากจะไปบวชพระตลอดชีวิตคราวนี้ลงจะไม่คิดสึกอีกเลยลงอายุแค่เจห้าปีก็ต้องบวชวัดล้างแล้วแหละต้องไปสร้างวัดล้างบวชลงจะได้เป็นสมภารเลยสร <c oughs> างปุ๊บ <c oughs> เป็นสมภาร น, <c oughs> นี่ ต้องไปวัดล้างอาวัตเล็กๆกันไม่ต้องวัดใหญ่ป่วยแต่มองเห็นมหาสวรรณนิทิในท้องคนไม่ป่วยก็ต้องยิ่งง่ายกว่าถ้าใครไม่เห็นแล้วก็ต้องไปช่วยลุงสร้างวัดล้างให้เป็นวัดลุงแล้วให้ลุงเป็นสมานเจ้าวาดเป็นสมานนี่นั่นเพราะนั้ในใครไม่เห็นนี่นะต้องไปสร้าง หม อ, อยังงงอยกับทาบัดนี้เ น, ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ดียว น, นะคล้ายเตียงนั้นตายเตยยียงนี้ไม่ตายนนั้นทไมตายนี่ทำไมไม่ตายอรอย่างนี้อดีตน้องเคยเคยเป็นนักธุรกิจจิวรี่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศต่อมาธุรกิจล้มปัจจุบันทําธุรกิจเล็กๆพอเลี้ยงตัวได้ปี25งห้าสายามองเขา คือน้องสาวยอดกาลยานมิตรของลูกช่วยเขาสร้างพระแบบสะสมได้สามเดือนขณะเดียวกับที่ธุรกิจเวรีกำลังมีคดีสำคัญที่จะมีโอกาสแพ้มากถึงเก้าคดีเพราะฝ่ายตรงข้ามจ้างพะยาะนมาให้ปากคำไม่รู้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะในตอนนั้นเขาขาดตีพึ่งเขาจึงเลือกตัดสินใจทำบุญสร้างพระที่เหลืออีกเจ็ดเดือนในวันเดียวคือสะสมไได้สามเดือน ก็เลยจะเดือกัรสร้างรวดเลยแล้วก็นึกถึงบุญที่สร้างพระรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาตั้งคืนสารเดือนละสองสามคดีเรื่อยมาจนครบ9ก้าคดีผลปรากฏว่าคดีต่างๆทั้ง9ก้าคดีถูกยกฟ้องหมดเขาจึงศรัทธานในผลบุญการสร้างพระธรรมการเป็นจำตัวมาก สร้างพระทาการป็จำตัวเจ้ารึกมหาปูชนียจารย์เพิ่มอีกสมองค์ปีส5 4 0หลังคดีหลุดแล้วก็มาบวชเป็นสำเนินรุ่นแรกหลก1งมืนองค์แล้วก็บวชฉลองมหาธรรมการเจดีด้วยน้องสาวคนที่สองเป็นผู้นำบุญของวัดและก็เป็นกะะนัลยาณมิตรให้กับลูกและครอบครัวตลอดมาทาให้ลูกเข้าใจวัดและทราบซึ้งในเรื่องบุญ น้องสาว ค, คนนี้จะมีคำพูดดีๆมีเหตุผลที่ลูกฟังแล้วสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆเราสองคนรักและผูกพันกันมากมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ช่วยเหลือกัอกก่วโกงกันตลอดมาเลยค่ะก็ก็เรียกว่าอารมณ์ดีก็เอาแหวนไม่ให้เลยอารมณ์ดีทวงคืนอะไรางี้คือ <ri> <c oughs> รกักและผูกพันกันมากคำถาม อาชีพบาร์เทนเดอร์ที่ลูกเคยทำในอดีตจะต้องได้รับผลอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะกรรมใดที่ทำให้ลูกสาวคนที่สาเป็นมะเร็งที่มดลูกและต้องผ่าตัดถึงเจครั้งและบุญใดทำให้เขาหายได้ราวปาฏิหารคะเขาเคยร่วมบุญกับหมู่คณะมาหรือเปล่าคะลูกชายคนที่สองกับลูกสะพ้ายของลูกมีบุตรกันสิคน แต่แทงไปเก้าครั้งรอดเพียงสองคนคือคนที่9ก้าและสิบเอ็ดอยากทราบว่ากรรมใดจึงทำให้เป็นเช่นนั้นคะเด็กที่รอดมาก็เป็นเชื้อสายของหมูนะ่คณะหรือเปล่าคะลูกสวาวคนที่สี่เป็นโรคเอ็มเอสตั้งแต่อยุได้สิ1หปีเขาทำกรรมใดมาคะแล้วมีโอกาสหายหรือไม่คะต้องทำบุญอะไรจรึงช่วยเขาได้ เราว่าเขาเคร่งาศาสนาคริสต์มากค่ะแต่ตอนงานมันเป็นกุศลคนแม่ลูกเห็นเขายกมือว่า้คณะสงฆ์ที่มาร่วมในงานทําให้ลูกรู้สึกดีใจมากค่ะลูกชายคนที่หํากรรมอะไรจึงไม่ได้บวชคะและเขาจะมีโอกาสได้บวชหรือไม่ควรทําอย่างไรชีวิตเขาจึงจะดีขึ้นคะลูกสาวคนที่ห ทำกรรมใดจึงมีจิตใจเป็นผู้ชายคะมีหนทางแก้ไขหรือไม่คะส า, ม, ามีคนปัจจุบันมีบุปกรรมใดจึงทำให้เป็นโรคผิวหนังและจะมีวิธีใดที่จะรักษาให้หายได้ขณะ น, นี้คุณยายกับคุณทวดอยู่ที่ไหนคะคุณลุงหลังจากสร้างพระธรรมกายไปจำตัวแล้ว จะมีชีวิตอยู่สร้างบุญกุศลไปอีกนานไหมคะทำไมจึงรอดชีวิตได้อย่างอัศจรรย์ลูกทำกรรมใดจึงต้องจากพ่อแม่จากบ้านไปไกลเป็นเวลาหลายสิบปีกรรมใดทำให้ลูกต่างแต่งงานหลายครั้งลูกเคยทำกรรมใดร่วมกับลูกๆทุกคนมาจิงทำให้ต้องเป็นทุกข์กับปัญหาที่เกิดกับลูกๆทุกคน ลูกมีบุปกรรมใดเริ่มกับน้องสาวคนที่สองจึงได้รู้สึกรักและผูกพันเหมือนกับจะขาดจากกันไม่ได้และยามที่ลูกลำบากคํามั่งมีทำไมเราไม่รวยพร้อมๆกันคะเออก็ท่านนะก็ไม่ยอมรวยเลยและครอบครัวลูกเคยสร้างบุมีมากระหมูกมคณะหรือเปล่าคะถ้าเคยอยู่ฝ่ายไหนคะ เอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะอาชีพบาร์เทนเดอร์ในอดีตที่ลูกเคยทำนั้นอดีตชาตินี้นะถ้าเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างเดียวเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างเดียวนะคือไม่ไปดื่มด้วยคือลงไห้เขาดื่มถ้าใกล้ตาย ใจเศร้หมองด้วยกรรมนิมิตคือถ้าภาพดังกล่าวนะมาปรากฏเกิดขึ้นถ้าทําให้เขาดื่มอย่างเดียวก็โชคดีจะได้เป็น เ, เจ้านาทีหญิงเ hey, <hey>, hey. ขเรียกคุมพันธีในยมโลก <Okay. S 1> ที่จะเลาะทีเดียวของมหานรขุมห้าแต่ถ้าดื่มด้วย ตเองก็จะไปเป็นสัน德拉โลกในมหาดลลกขุมห้าจ้ะแต่ถ้าบุญยังส่งผลอยู่ไม่ได้ไปมหาดาลกขุมห้าหรือยมโลกเพราะบุญอุ้มเอาไว้จะไปอยู่ภูมิไหนก็ตามเมื่อกลับมาเกิดในมนุษย์โลกถ้าไม่ได้แปรบายเลยจ้ะถ้ากลับมาเกิดใหม่ในมนุษย์ถ้าปรุงให้เขาดื่มแล้วก็ดื่มด้วยนะ ก็จะเป็นคนใบ้บาปัญญาอ่อนแต่ถ้าเป็นบาร์เทนเดอร์อย่างเดียวกรรมนั้นก็จะต้องมารับเลี้ยงคนใบ้บาปัญญาอ่อนหรืออย่างน้อยก็มีสมาชิกในครอบครัวเป็นใบ้บาปัญญาอ่อนจ้ะจะแก้ไขก็ต้องรีบมันสั่งสมบุญให้มากมากต้งทานั้งศีลั้งภาวนานั่งให้เห็นพระในตัว ต้องสร้างปัญญาบารมีสนับสนุนการศึกษาพระเนนและก็เยาวชนอะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าที่ลูกสาวคนที่สามเป็นมะเร็งที่มดลูกและถูกผ่าตัดเจ็ครั้งก็เป็นเพราะการมกาเมเจ้าชู้ในอดีตทําให้มาเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นมะเร็งที่มดลูก และถูกประทัดพระะรวมกับกรรมฆ่าสัตว์ไว้กินเป็นอาหารและฆ่าสัตว์ขายจะเจ้ชู้กับปนาติบาตที่เขาหายราปฏิหารพระบุญนิสร้างพระธรรมกายไปจาตัวและบุญทาสมาธิจนเข้าถึงพระในตัวมาตัดรอนวิบากกรรมทำให้หายจะก็จะประมาทเพราะว่ายังมีเศษกรรมอยู่มันยังไม่หมด มันระ ง, งับไปให้มันสั่งสมบุญและเจริญภาวนาต่อไปบุญปัจจุบันก็จะช่วยให้หายได้จะทำต่อไปนะอย่าประมาทนะลูกนะเรื่องนี้สำคัญเขาเคยสร้างบนกบมุคนะมาแต่กอนมาเจอหมู่คณะในอดีตก่อนมาเจอกันเขาได้ไปสร้างกรมกรมกาเมเจ้าชูและปะนาธิบาสมากนตมาเมื่อมาเจอหมู่คณะจึงได้มาเป็นกองสเสบียง บุญที่เคยทำร่วมกันนี้จึงทำให้มาเจอหมู่คณะอีกในชาตินี้แล้วก็ได้สร้างบุญร่วมกันอีกจนถึงจนไปตัดร้อนวิบากกรรมหนักให้เบาบางลงนั่นแหละลูกชายคนที่สองก็ลูกสะั้ยมีบุตรการส1บ็ดคนแต่แท้งไปเก้าคนเพราะกรรมแลดีในชาติที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่น้ำว่าไข่ที่มีเชื้อไข่เป็ดไข่ไก่ มีเชื้อแล้วเนะี่ยมีมีตัวแล้วนะมาปรุงเป็นอาหารบ่ยบอยๆกับชอบกินปลาไข่เมื่อจับมาได้บวกกับวิบากกรรมที่ทำแทงวิบากกรรมทำแทงจึงทำให้ลูกแทงไปก้าคนวิบากกรรมเนี่ยตามมาส่งผลเด็กคลอดมาก็มีเชื้อสางหมูคณนะบ้าง แต่เบาบางยังไม่เน้นหนาเท่าไหรจ่จะให้ชวนสร้างบญในปัจจุบันให้มากๆเลยจ๊ะลูกสาวคนที่สี่เป็นโรคเอ็มเอสตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดปีพระกำแน่ดีแต่เป็นคนมักโกรธเวลาโมาโหมักจะชอบทำร้ายตัวเองด้วยการทุบตีเจอ อ, อแปลกดีอชอบทำร้ายตัวเองตี อ, อกชอกหัวตัวเองอออหัวโขก ฝาโขกเสาอะไรเงเออมันก็มีในคนประเภทนี้ไม่ทำ้ายใครแต่ทำ้ายตัวเองก็มีโอกาสหายได้แต่ก็ฝึกสมาธิแล้วก็ทำบุญในพระพุทธศาสนาแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็ทำเจตถิพองใสจ้ะจะได้หายเครียดลูกชายคนนี้5ที่เกือบจะได้บวชแล้ว ขาดการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตขาดการคบกับบัณฑิตนักปราชญ์ในอดีตจึงทำให้ยังไม่มีกุศลศรัทธานในระดับของการบวช ด, ดังนั้นก็ให้ลูกใจเย็นๆค่อยๆแนะนำเข้าไปอย่าไปบังคับเขาสักวันหนึ่งบุญเก่าเขาตามมาส่งผลก็จะมีโอกาสบวชได้แจ้ เขาค่อยประคองไปเนะี่ยแล้วก็ชีวิตเขาก็จะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อได้คบกันระยะใ น, นมิตรอยาให้เขาไปคบคนพานนะแล้วใหามาศึกษาเรื่องราวความปจริงชีวิตที่มากขึ้นก็จะได้ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จ้าลูกสาวคนที่6ที่มีจิตใจเป็นผู้ชายเพราะกรมกามีเจ้าชูหลายหลายชาติ เจ้าชู้ตั้งชาติเกิดเป็นผู้หญิงและเจ้าชูตั้งชาติเกิดเป็นผู้ชายกรรมเหล่านั้นมารวมส่งผลกันกรรมเจ้าชูได้ชาติที่เป็นผู้ชายหลายๆชาติกรรมเจ้าชูที่เป็นผู้หญิงหลายๆชาติมารวมส่งผลกันโดยเฉพาะกรรมเจ้าชูตอนเป็นผู้ชายมากชาติกว่าตอนเป็นผู้หญิงคือตอนเป็นผู้ชายมีความเจ้าชูมากกว่าตอนชาติเป็นผู้หญิงชาติเป็นผู้หญิงเจ้าชู้น้อยกว่า จะแก้ไขต้องไปถามว่าลูกสาวอยากได้เพศบริสุทธิ์ในชาติต่อไปไหมถ้าอยากได้เพศบริสุทธิ์จริงๆจริงๆนี <Okay. S 1> ก็ต้องให้ประพฤติพรหมาจรรย์เป็นหลักแล้วใครหักดิบเลิกนิสัยเรลนี้เสียแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเพราะกรรมมันมันเยอะแล้วใครลูกษามันสั่งสมบุญทุกบุญที่บังมากแล้วติฐานจจตีหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะ แต่เขาอยากหลุดพ้นนะถ้าไม่อยากหลุดพ้นก็อย่าทิ้งบุญกันแล้วกันเป็นอย่างนี้สามีคนปัจจุบันที่เป็นโรคผิวหนังเพราะวะจีกรรมและกรรมปานาติบาสในอดีตโดยชอบพูดประชดที่คนเจ็บเจ็บแสบพูดประชดให้เจ็บเจ็บแสบแล้วก็ชอบคอดเกล็ดปลาเป็นเป็นเพืเ่อทำเป็นอาหาร กรรมสองอย่างมารวมเงินจะแก้ไขให้มันสดมนให้กล่าวปิยาวาจาพูดเพราะเพราะน้อยบ่อยไม่ใหญ่พูดเพราะวันเว้นห้าวันพูดห้าวันเว้นเดือนเงยให้มีปิยาวาจาบ่อยๆแล้วก็มันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วทิ้บุญกุศลไปให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เราไปบีบเบียร์ว่ า, วาจา้า คุณทวดตายแล้วไปเกิดเป็นภูมะเทวาชนดีในหมู่บ้านภูมะเทวแห่งหนึ่งแต่คุณยายสิจ้ะตายแล้วไปเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มเพราะกรรมด่ามารดาของตนจริงๆม่ต้องลงไวรลึกกว่านี้นะนี่แต่นี่ยังดีในยังพอมีบุญเก่าบ้างมาอมไว้ได้อยู่ในระดับเปรตปากเท่ารูเข็มทรงเสียงก็ลาบาก กินก็ลำบากเอูลอลังทำปากจูๆดูเลยนะแล้วลองพูดแล้วลองกินดูนะเราก็จะรู้สึกว่าปากจู๋ที่มันกินหมูไม่ไมหมูเลยนะกินหมูไม่ได้เลยคุณลุงได้บุญสร้างองค์พระธรรมกายยำตัวมาช่วยให้ได้รอดชีวิตขึ้นมาสร้างบา ร, รมีอีกแต่วิบากกรรมมันก็ยังไม่หมดนะจ๊ะ มันเหมือนระเบิดเวลาที่คอยเวลาที่จะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้มันสั่งสมบุญทุกบุญที่มากมากหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีจ้ะเราไปสร้างวัดร้างวัดเล็กๆเป็นสมภานลูกต้องจากบ้านจากพ่อแม่ไปไกลหลายสิบปีพระ กำเนิดดีเคยยกลูกสาวให้แต่งงานเร็วเหมือนลูกเจอในชาตินี้เลยเนีกับกมตอนเป็นวัยรุ่นในชาตินั้นก็หนีออกจากบ้านไปและอยากจ ะ, ะเผชิญชีวิตพังนี้ติดตัวมาจะดื้อจะชจะ้านั้นดื้อจะใช่คำว่าเป็นตัวของตัวเองสูงเกินกว่าที่ใครๆจะรับได้ค่อยเพราะหน่อยแต่ถ้าคำยอคือดือ้อมันมีดื้อดึงก็ดื้อด้าน ด, ดึงก็พอจะดึงกันไหวเหมือนแมวอะ่ะพอเราดึงหางมันก็จะไปข้างหน้าพอดึงหัวมันก็ถอยหลังพอดึงหลังมันมันโก่งท้องพอดึงท้องมันโก่งหลังดือ้อเขาเรียกยี่หรี่ดื้อดึงแต่ก็พอจะดึงกันได้แต่ดื้อด้เ น, นี่ยโอ้ยากที่ตั้งแต่ ง, งานหลายครั้งกับเป็นพระเศษกรรมเจ้าชูงลูกตอนเป็นผู้ชายติดตามมาส่งผลจ้่ ลูกมีกรรมที่ดื้อกับพ่อแม่ในชาติที่ออกจากบ้านนั่นแหละแล้วเคยก่อปัญหาให้พ่อแม่ในหลายๆายชาติตามมาส่งผลไม่ใช่ชาติเดียวนะคือดื้อดื้อชาตินั้นดื้อชาตินี้ดื้อชาตินั้นมารวมกันที่เจอปัญหาจากลูกทุกๆคนก็เป็นภาพในอดีตของลูกหลายๆชาติมารวมกันละะ<อ>เลยจะแคเรียกยอดดือด้อคือเอาความดื้อมาต่อๆกันแล้วไปอยู่บนยอดเลยเรียกสุดยอดดื้อ แต่นี้ทั้งเก่งและดีและเจ้าคือบางชาติก็ตามเป็นผู้ชายก็ดื้ออย่างตามเป็นผู้หญิงก็ดื้ออีกอย่างกับพ่อแม่เนี่ยเกรรมหลายชาติกรรมดื้อมารวมกันลงบนเลยไปเจอโลกก็ดื้อที่จะทำให้เกิดปัญหาในไรเรื่อยๆเหนื่อยๆลูกและน้องสาวคนที่สองก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาเป็นกรณไไม่ใท่าซึ่งกันและกัน เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นพี่น้องกันบ้างยิงรู้สึ ก, กรักและผูกพันให้และคืนให้แล้วทวงคืนได้เอาทวงคืนเลาไปให้ใหม่ได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะเรารักและผูกพันลูกก็เคยสร้างบุญกมู่คณะมาแบบกองสเสบียงจ้ะกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์แหละไม่ค่อยจะสม่ำเสมอแต่ใ น, นชาตินี้บางทีก็บางทีก็คลั่งบางทีก็พร่องอะไรนั่น ก็ต้องให้มันสั่งสมบุญนะลูกนะทุกบุญให้เต็มที่แล้วอธิษฐานจิตตาตีปิฎสิธิบริวงมวิเศษเขตบรมโพดิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ า, านี่ก็เป็นเคสดสตสั้นๆสา ห, หรับคืนนี้